สบายสบายถูกใจก็คบกันไปเพราะฉันเป็นคนไม่สนอะไรไม่เคยคิดกวนใจใครสบาย สบายสบายแล้วเธอก็คงเข้าใจเรานั้นจะอยู่เรียนรู้กันไปจะทุกข์จะสุขเพียงในส บ, สบายสบายแม้วันใดที่ใจเธอเปลี่ยน าเธอต้องไปก็คงเสียใจและคงเสียดายแต่ก็ยังสบายหากเธอจะทิ้งกันไปนไเพราะฉันเป็นคนไม่ฝืนใจใครก็คง s i b e f s o b e ว่าเธอต้องไปก็คงเสียใจและคงเสียดายแต่ก็ยังสบายหากเธอจะทิ้งกันไ ป, นไปเพราะฉัน